กระผมนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์ท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตานิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แม้ครั้งที่สากระผมนั้นขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัว ชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจะตุทะกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ ภิกษุอุทาญีนั้นขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทาญีนี่เป็นยติ ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอมานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสง สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตานิกาสุกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่ง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 เพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้แก่ภิกษุอุทายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อ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 ภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ภิกษุอุทายีนั้นขอมานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้กับสงฆ์สงฆ์ได้ให้มานัดหราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้ แกภิกษุอุธายีแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้มานัดหกราตรีเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตธิไม่ได้ปิดไว้แกภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง มานัดหกราตรีเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิไม่ได้ปิดไว้สงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้